ทานวัดทานวัดวัดวัดตปฏิบัติปฏิบัติในการให้ทานอธิทานให้ทานก่อนกินท่นว่าอนี้คำหนึ่งที่ท่านพูดมาใหม่ๆให้ทานก่อนกินถือศีลก่อนไปภาวานาก่อน พูดจะนึกจะคิดให้ทานก่อนกินถือศินก่อนไปเดีย๋ยวเป็นวัดเจตนาทรรมให้ต่อเนื่องกันเดีวเป็นวัตถะปฏิบัติอธิษฐานไหวเหมือนภิกษุรูปหนึ่งในข้างพุทธการท่านอธิษฐานให้ทาน <c oughs> พอดีวันนั้นท่านไปฉันในบ้านอย่างนี้แหละหางหลวงตามาเนี่ยถูกนิมนต์ไปฉันในบ้านพอฉันเสร็จแล้วก็กลับไปวัดกลับไปวัด <c oughs> ก็ท่านไม่ได้มเีเหลือบิณฑบาตลอาหารเหลืออะไรติดบาตรหรือฉันหมดเยอแต่บาตรเปล่าเดินกลับวัดไป พอดีไปถึงระหว่างทางมีสุนัขแม่ลูกอ่อนพร้อมโซทั้งแม่ทั้งลูกสุนัขแม่ลูกอ่อนมันมีลูกอยู่สี่ตัวห้ากับตัวแม่มันแต่ดูแล้วพร้อมโซท่านก็เลยจะให้ทานอาหารแต่ก็ไม่มีที่ติดบาทเหลือติดบาดมาก็ไม่มี ท่านก็เลยนึกได้ท่านเลยเอามือร่วงเข้าปากล้วมเข้าคอให้วกอาหารที่ท่านฉันมาให้ทานแก่สุนัขแม่ลูกอ่อนพอให้ทานแล้วผลแห่งการกระทําแห่งการให้นั่นแหละมันทําให้เกิดปิติแรงกําลังของปิติในการ ให้ทานเกิดแรงเรียกว่าทราบสัน้นเกิดขนพองสยองก้าวเกิดความเอิบอิบ่มขนลุกไปทั้งตัวเรียกว่าอำนาจของปิติพอ ก, กลับไปถึงวัดท่า น, นก็เข้าที่ภาวนากำหนดรูขมปิติด้วยสมาธิ ปิตินั้นสงบลงท่านก็ยกวิปัสนาคือพิจารณาน้อมกิจไปในการพิจารณาพิจารณาในกายพิจารณาในขันหะก็ความประชุมแห่งกำลังแห่งปิติแห่งสมาธิทำให้การพิจารณามันเป็นภาวนามายปัญญามันเป็นปัญญาเกิดจาก การพิจารณาการกำหนดมันลงถึงจิตถึงใจเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมไปของขันห้าตามเป็นจริงเรียกว่ารูปเรื่องรูป เ, เ, เรื่องนามรูปนามกายใจรูปเรื่องการเกิดขึ้นตั้งอยู่ของรูปร่างกายและความเสื่อมไปอของกายของรูปปธรรมรูปเรื่อง การตั้งขึ้นได้เสื่อมไปของนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประมวลลงเรยวทันลูกขันท่าตามเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของของเราว่างจากความสมมุติว่างจากความเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลในจิตของท่านด้วยอํานาจแห่งปัญญา ก็เรียกว่าท่านได้บรรลุธรรมเข้าถึงความจริงสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบประมวลลงสู่ความรู้ความเห็นวางว่างเียว่าท่านได้บรรลุธรรมสาเร็จพระอรหันต์คือผู้รู้ธรรมขั้นปล่อยวางสมมุติทั้งหลายทั้งปวงได้พ้นจากทุกข์ ในวัตาสงสารโดยสิ้นเชิงด้วยอำนาจแห่งทาน <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงเป็นหนทางที่จะทำให้เราได้รับความสุขได้รับความสุขในปัจจุบันในสมมุตินี้ด้วยความอิ่มอกอิ่มใจในการได้ให้ได้เสียสละได้ช่วยเหลือและก็เป็นผลเป็นประโยชน์ที่จะเกือ้อกูลไปจนถึงทมที่สุด แห่งทุกเกิดปัญญายานัศนะความรู้และความเห็นประชุมรวมลงเป็นทาตามเป็นจริงได้ปล่อยวางอุปทานความยึดตัวถือตนยึดเราถือเขายึดโลกว่าเป็นเราเป็นของของเราได้ด้วยอำนาจของทานพทานวัตศีรวัต สีละวัดก็เว้นจากบาปจากโทษแม่มากหรือนิดๆหน่นอยๆมีกิจสำรวมเรียกว่าเจตนางดเว้นจากโทษทางกายทางวาจาและทางใจว่าถือศีลถือศีลก่อนจะไปก่อนจะนึกจะคิดตั้งกิจอธิษฐานรู้รงที่ใจนั่นะจะเป็นที่ประชุมแห่งศีลคือความสำรวม เคลื่อนไว้ไปมาทางกายจะกล่าวทางวาจามีเจตนางดเว้นสำรวมระวังข้อที่เป็นโทษในเร็วถือสินก่อนไปในชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมะหรืออยู่ด้วยธรรมอยู่ด้วยข้อปฏิบัติไม่ประมาทนี่ของนิดๆในหน่นยนอยอย่างนี้แหละที่ทาไปตั้งแต่ เบื้องต้นของนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ต้องไปคิดเอาสูงสูงคิดเอาเทวบุตรเทวดาคิดเอาพรมโลกหรือว่านิพพานคำว่านิพพานนั่นเขไม่เข้าใจกันเราเป็ น, นึกว่ามันเป็นเมืองเป็นบ้านเป็นสถานที่ให้อุดมสมบูรณ์ไม่มีทุกข์มีโศกไม่มีโลกมีภัยอะไร อันนั้นมันเป็นมันนิพพานนิพพานมันเป็นที่สุดแห่งโลกแล้วมันเหนือสมมุติไปแตพมโมโลกเเป็นสูงขึ้นไปด้วยภูมิจิตภูมิธรรมเพราะฉะนั้นเอานี่แหละเอาทานวัตรศีลวัตรภาวนาวัตรภาวนาทุกอิริยาบทภาวนาเวลาจะรับทานอาหาร าทานอาหารภาวนาได้ก่อนจะทานกับภาวนาท่านจึงมีบทปฏิสังขโยเรียกว่าพิจารณาอาหารก่อนจะบริโภคมันปฏิสังขายโยนิโสปินทปาตัมปฏิเสวามิในวัดวายนัมมันดายนามัมมนธนายนวิภูสนายคือกำหนดพิจารณาอาหารการบริโภค บริโภคเพื่อยังชีวิตเป็นการหล่อเลี้ยงธาตุขันให้มีชีวิตสืบต่อไปมีโทษหรือไม่มีโทษของที่จะบริโภคที่จะรับทานเข้าไปมันไม่มีโทษค่อยๆรับทานมาได้รับทานเพื่อเกรียดเพื่อยศเพื่อความสรรเสริญสุขอะไร มากมายอะไรรับทานเพื่อยังชีวิตเป็นไปของนี่เป็นสิ่งที่เกือกูลธาตุขันก็เดียวเป็นธาตุบริโภคเข้าไปแล้วสุดท้ายก็เป็นธาตุเหมือนกันนี่พิจารณาเรียกว่าภาวนาก่อนจะทานอาหารหรือขณะรับประทานอยู่มีสติกำหนดรูของความเปลี่ยนแปลงของอาหาร การบริโภคนั่นสุดท้ายก็รู้ลงถึงความเป็นธาตุน่เรียกว่าภาวนาภาวนาเวลารับทานอาหารว่าภาวนาเวลาทำจิตการงานอะไรให้มีสติรู้ในเรื่องที่เราทำนั่นรู้เหตุรู้ผลนี่เป็นการภาวนาประจำไม่ประมาทไม่แว้น แม้แต่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสติมีความตั้งใจจงใจกำหนดรู้เรื่องความเคลื่อนไหวหรือสิ่งที่ตนเองกำลังกระทำอยู่มันจะมีโทษอะไรไหมรู้เหตุรู้ผลทมลงไปแล้วจะมีโทษอะไรเกิดขึ้นหรือมีผลยังไงเกิดขึ้น นี่เรียกวเป็นการภาวนาการภาวนาคือทำให้เกิดให้มีขึ้นซึ่งสติและปัญญาเข้าใจในสภาวะหรือเข้าใจในอิริยาบทที่เราเคลื่อนไหวไปมาทำการทำงานนี่เรียกวาภาวนาในทุกอิริยาบทจะเป็นเหตุยังสติ ให้ต่อเนื่องสมาธิความตั้งมั่นของจิตใจและมีความเข้าใจในเหตุและผลก็จะรู้ละรู้วางที่จิตใจของเรามีทุกข์เพราะมันไม่รู้จากการวางเพราะมันยึดมันถือมันยึดมันจึงเป็นของหนักถ้ามันรู้ละรู้วางได้ล่ะมันก็สบายใจก็สบาย การภาวนาเพื่อให้รู้ละรู้วางในสิ่งที่ควรละในสิ่งที่ควรวางทั้งในส่วนที่เป็นวัตถุทั้งในส่วนที่เป็นนามธรรมเป็นเรื่องของจิตของใจแต่มันรู้ละรู้วางรู้ความเป็นจริงของสภาวะที่เกี่ยวข้องกันละรู้วางได้ทานก็สบายไม่เป็นทุกข์ มีผลประโยชน์ของการภาวนาเพื่อให้รูล้ละรู้วางได้เหลือแต่ความว่างของใจเป็นใจว่างว่างอยู่ทุกขียาบทเมื่อเข้าใจด้วยการภาวนาด้วยการปฏิบัติด้วยสติสมาธิและปัญญาแล้ว ตอนพุทธเจ้าจึงสอนพระโมกขลาเธอจงมองโลกดูโลกให้เป็นของว่างคือดูมันเข้าใจด้วยความเป็นจริงเหรอจิตมันก็วางเมื่อมันวางท่านจะว่าว่างว่างจากความเป็นโลกเหนือแต่ความเป็นธรรมคือธรรมชาติรูปของใจนั่ น, นก็ไม่มีทุกข์นีประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้บุญได้ ความดีความสุขแล้วก็เพื่อนั่นแหะให้วางความยึดมั่นถือมั่นเพื่อให้รู้ความจริงให้รู้จริงเห็นจริงไม่ให้รู้ผิดไม่ให้ยึดผิดนี่เพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกทั้งหลายทั้งปวงอ่า <c oughs> แต่รับพรที่ไหน นั่งใจอุทิศ ส, ส่วนบุญกุศลเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมะนี่เป็นเมื่อเราได้ทําแล้วก็เป็นสิ่งที่มีที่ได้ทั้งนั้นแหละอธิษฐานส่วนแห่งความดีเหล่านี้น้อมจิตของเราเผื่อแผ่เป็นกระแสแห่งเมตตาออกจากจิตใจของเรา ไปต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณในโลกสามนี่ได้รับความสุขความเจริญสุขกายสุขใจตายในภพภูมิของตนของตนนั้นๆ <c oughs> ยะถาวาลิวหาปุลาปาลิปูเรนติสากรลัง เอวะเมวะอิโตดินนางเปตานางอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังทุมหังขิปเมวะสมิสตุสัมเบปุเรนตุสังคาปาญาโนปนราโซยัทามนิโชติลาโซยัทา โน้นธรรมวันทันติอันโนสุขังหาลายอนยาโกนากินานินาจังอาทิตตินตาเหีรตังหตายาสะทนาโสภะภะเต โอยะติธรรมโมจายังนินมิตโตเอ็นดานาพุยจจักันตาอุลาลามารัยภิกนมโนปันินังยังบสตอนาังกันติอายุโนบรนโตตโรวัน สคสนาัตเมธานีสุขังสุวิติสันติห้ยงนิทวามรังวานังสุขังจะปฏิภาณโนห้โยยะสาวุทิยานทะยันทุปปัตติทิพวะตุสัพมังลังลักณิวัตตา สัมมุทฐานุภะเวนะสันโสทิภวันตุเตหวตุสัปมังลังลักอนิพพัตะสัมตัมฐานุภะเวนะสันโสทิภวันตุเตหวตุสัปมังลังลักมะตา จาเมสัน h านุบานาซานาโซตีฮันโตตี